นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมบุติทัสสะสุสูสังลพเตปัญญาติอิมัสสะธรรมะปริยาญาสสะอัคโคสะทายาสมันเตหิสักกัจจังธรมโมโสตบโบติ อ่าก็ให้นั่งฟังกันตามสปายะเราเคยนั่งฟังอย่างไรก็ให้นั่งฟังอย่างนั้นหรือว่าการฟังไม่ใช่แต่นั่งฟังนะหลวงพ่อหรือหลวงตาองค์นี้ก็จะบอกจะยืนฟังก็ได้ไม่ผิด การฟังหรือว่าจะเดินฟังก็ได้นะไม่ผิดจะนอนฟังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ขอให้มีสติและสัมปะชัญญะระลึกอยู่รู้ตัวหยวนว่าฟังจะอยู่ในอริยบทไหนฟังได้ทั้งนั้น นอนฟังทีแต่ให้มีสติไม่ใช่บอกให้หลับเพราะบอกว่าฟังให้ทําหน้าที่ฟังให้ดีสิหูก็มีไว้สําหรับฟังเสียงตาก็มีไว้สําหรับฟังเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ดูหูเวลาจะฟังฟังด้วยเสียงที่พูดจากปาก แต่ตาเมื่อเวลาฟังฟังด้วยมือพูดเข้าใจนะมือพูดได้นะตาก็ฟังได้อย่างนี้พี่บอกว่าให้ฟังฟังด้วยดีจะเกิดปัญญามันจะเกิดยังไงที่นี่ คีโอทเนี่เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นพุทธศาสตร์ชมลมพุทธศาสตร์เป็นที่ปัชชุมหรือว่าชมลมคือที่ชุมนุมหรือว่าปัชชุมของาศาสตร์สาขาของคำสอนคูและอาจารย์ตั้งมากมายที่มาเทศมาสอนนั้นมีแต่บัณฑิตทั้งนั้น แต่ผู้เป็นผู้นำในชมรมพุทธศาสตร์ในทีโอทีดันไปนิมนต์พระนอกนอกพระป่าอย่างองค์นี้มาเนี่ยยังแปลกใจอยู่ไปนิมนต์มาได้ยังไงผมไม่รู้จะ อ, อะไรพูดให้ฟังก็มีแต่บอกให้ฟังนะฟังให้มันสมบูรณ์แบบเอาตาฟังบ้างเอาหูฟังบ้างเอาปากพูดบ้างเอามือพูดบ้างก็ไม่เป็นไรนะ ฟังอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาเราฟังเพื่อจะนำไปปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดเปิดเกิดกุศลใช่ไหมอยากจะรู้ว่าบุญมันอยู่ที่ไหนทำแล้วได้บุญจริงไหมอย่าเพิ่งเถียงนะ อย่าพ่งโตนะกลัวว่ะบุญเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมันมีอยู่สามอย่างทานน้ำไม บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมายบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทานอะไมศีลละไมและภาวนาไมา่อะไรเป็นทานลไมา อะไรเป็นศีนลใหม่อะไรเป็นภาวนาใหม่มันถึงเป็นบุญแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนถึงจะเป็นตัวบุญให้เราร่วบเป็นตัวบุญมันเกิดขึ้น วันนี้ที่ชมรมนี้นิมนต์พระมาสแสดงธรรมหรือว่ามาเทศตัวงั้นกริงไหมพระก็เป็นแต่เพียงสมมุตินะฟังให้ดีการฟังเทศฟังธรรมให้มีสติและสัมปชัญญะอยู่กับตัว ว่าบุญอันนี้เป็นที่ชมลมหรือว่าถ้าชมลมนอกและชมลมในล่ะถ้าจะบอกตรงๆว่าชมลมเนี่ยคือที่ประชุมคือที่รวมแล้วมาดูชมลมในของเราสิอย่าดูแต่ข้างนอก ชมลมในน่ของพุทธศาสตร์คืออะไรกายพุทธศาสตร์กายเราเป็นชมลมมันหนึ่งที่ชุมนุมพุทธศาสตร์ชุมนุมคำสอนวจีพุทธศาสตร์มโนพุทธศาสตร์ก็เป็นได้ พอเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายก็อยู่ที่สามศาสตร์นี่เลยเหมือนกระ บ, บุนวันนี้เราก็ทำบุญสร้างบุญไม่ใช่ไปทำอยู่ที่วัดเออทำอยู่ที่วัดก็จริงแต่ถ้าเราจะถามหาวัดล่ะที่นี่เป็นวัดได้ไมเปยเป็นได้ เดี๋ยวจะว่าเอหลวงตาองนี่นะมาผิดไอ้วหน้าชมรมเนี่ยในมวลภามาผิดวัดหรือเปล่าเดีย๋ยวจะเพิ่งพูดนะทำไมต้องพูดสับสนเดี๋ยวจะว่าอีกคำว่าวัดอย่ามองเห็นแต่วัดข้างนอกสี่เดี๋ยวก็วัดอะไรที่เขาสร้างเป็นใหญ่ใหญ่โตโ ต, ว, ต ว, วัด ง, งามๆมีโบสถ์มีวิหารพระเต็มวัดไป นั่นมันเป็นแต่เพียงวัดนอกพวกเรามาดูวัดในพวกเราสิมาดูวัดในของเรานี่กายวัดวจีวัดมโนวัดมาดูวัดอันนี้สิถ้าเราไม่รู้จากวัดเหล่านี้ เราจะไปสร้างบุญทานนามัยศีลและไม่แล้วภาวนาไม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราจะเอาของสิ่งแล้วที่เราไปทำทานนามัยศีลและภาวนาไม่แม้แต่ข้าวปานจะไปทิ้งลงในบ่อเนี่ยทิ้งอย่างนั้นเหรอเลยไม่รู้อะไรเป็นบุญสร้างบุญก็นอนทับบุญสร้างกุศลก็นอนทับกุศล น, นั่งทับกุศลกันอยู่ ให้รู้สิว่ากายวัตวจีวัตมโนวัตรเราต้องออกกายเราสิเป็นที่ตั้งเป็นเหตุแห่งบุญเอาวาจาแล้วเป็นที่ตั้งเป็นเหตุแห่งบุญสิใจแล้วเป็นเป็นเหตุแห่งบุญสิคําว่าทานนะไมบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานเราทานเนี่ยเราเออกกายเราทานนะ มันถึงเป็นบุญก็ให้ฟังนะ่าะพึ่งเถียงว่ะอย่าพึ่ ง, ย ง, อ, ยงอย่าพึ่งทะเลาะในใจนะฟังซะก่อนพระพุทธเจ้าตัดกับพิสูทั้งหลายพิสูจทั้งหลายดวงเนี่ของเราเมื่อครั้งเราเป็นพระโพธิสัตว์เราพกเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าพิสูจทั้งหลาย เราตัดสีเสาเป็นทานมากกว่าพะเพ้าในผลในป่าหิมะพา น, นี้อีกพิสูทั้งหลายเนื้อหนังมังสังที่เราแยกออกเป็นทานกับสรพพสัตว์นี่หนายิ่งกว่าแผ่นพระสุทาอีกพระพุทธเจ้าตัดกับพระพิสูทั้งหลายอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะว่าฉันไม่ใช่พระพุทธเจา้าค่ะอยากจะพิจะเพึ่งเถียงนะ ฟังเอกสักหน้อยวันนี้ละ อ, อกายเรามานั่งฟังหรือเปล่าเรามีสติและเลือกอยู่สัมปะช ญ, ญารู้ตัวเองนี่นั่งฟังไหมเรา อ, อกายเรานั่งไม่ใช่เหรอหรือยืมกายใครมานั่งรู้ตัวอยู่หรือเปล่า นี่ละคือทานอำไมเราบำเพ็ญทานอยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่ทานต่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ได้ควักลูกกะตาทานไม่ได้ตัดศีสาทานไม่ได้แลกเนื้อหนังออกเป็นทานเรายังมานั่งฟังด้วยจิตด้วยศรัทธาความเชื่อมัน่นปาษาทา่าความเลื่อมใส กายเราจึงเป็นทานน่ะหม่เข้าใจไหมทานที่นี่ทานนี้จึงเป็นบุญสําเร็จแล้วด้วยการบริจาคทานทานนั้นจึงเป็นบุญอยู่ที่กายของเรานี่ไม่ใช่เหรอใครจะมาแย่งเอาได้เรานั่งของเรานี่ตัวของเราต้องได้สิเราต้องรู้ตัวสิกินข้าวรู้จากไว้เมื่อวันเราอิม่มหรือใครมาอิ่มแทนรู้ไหมว่าบุญอยู่ที่ไหนที่นี่ สร้างบุญก็สงสัยบุญสร้างบาปก็สงสัยบาปวันนี้มาบอกให้ฟังนะมาพูดให้ฟังอย่าบอกว่ามาเทศนะอย่าบอกว่ามาแสดงธรรมไม่กล้ารับเปแล้วถามศีลเหศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ศีลแปลว่าอะไรแปลว่าสงบศีลแปลว่าสะอาดอ่ามันจะสาเร็จอยู่ที่ไหนบุญมันเป็นศีลเราถามกายเราสิเรานั่งฟังอยู่อันเป็นทานน่ะไหมเอ๊กายของเรานี่ก็สงบนี่เมื่อสงบเป็นปกติในการฟังอยู่กายด้านก็เป็นศีลเป็นปกติกายเราไม่ได้ข่าสาัตร์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดอะไร กายแล้วก็เป็นศีลอีกแล้วอยงนั้นศีนนลละไมยก็อยู่ที่กายเราออกไม่ใช่เหรอแล้วจะไปถามหาศีลละไมยอยู่ที่ไหนอีกบุญสำเร็จแล้วด้วยการรักษาศีลดังนั้นทานละไมยก็อยู่ที่กายเราศีลละไม่อยู่ที่กายเราแล้วภาวนาไม่จะอยู่ที่ไหนอีกภาวนาแปลว่าการเจริญ สติและเลือกให้มากนึกให้มากคิดให้มากพยายามให้มากพระพุทธเจ้าอสอนว่าอาเสวิตาภาวิตาบโหริกตาเพียรให้มากพยายามกระทําให้มากกระทําที่ไหนกระทำในใจเรานี่เองกระทาลงที่กายเรานี่เองกายเรามีความเพียรไหมมีความพยายามไหมสม่ําเสมอไหมกายเราจึงเป็นภาวนาใหมา่ อย่างนั้นทา น, น, นละไม่ศีละไม่แล้วภาวนามาอยู่ที่กายของเราเนี่แล้วเรามีสติตรวจดูไหมทีนี้ตรวจดูสิดูตัวเองอ่ะไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปฟังคนอื่นเราฟังตัวเราที่ฟังใจเรานี่เอะกายของกูเนี่ยเป็นฐานจริงหรือเปล่าวะจริงไหมเอกายของกูเนี่เป็นศีลละไม่จริงหรือเปล่าวะ ถามตัวเองนะเอกกายของเราเป็นภาวนาไหมหรือเปล่าวะถามสิไม่ต้องไปถามเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะนั่งอยู่ด้วยกันก็หูใครหูมันไม่ใช่เหรอไม่ได้ยืมหูใครฟังเนี่ยทุกคนก็มีหูฟังแล้วเนี่ยใจเป็นผู้รับรู้อยู่แล้ว กินหรือเท็จเราต้องตัดสินใจตัวเองสิกินข้าวแล้วจะบอกตัวเองไม่ได้กินจะเป็นการโกหกนะมุสาวาทานเนี่ยสินข้อที่สี่นะถ้าพูดไม่กิงมันก็เป็นพูดไม่มีสัตย์นะแล้วมาถามทานนาไมายสินละไมา่แล้วภาวนาไมาอีก อยู่ในวัดที่สองคือวัดจีวัดถามว่าเอ๊วาจาเราเนี่เป็นทานหรือเปล่าหนอถามว่าเอ๊วาจาห้องเราเนี่เป็นศีลหรือเปล่าหนอเอ๊วาจาห้องเราเนี่เป็นภาวนาหรือเปล่าเขาเรียกว่าวัดจีวัดเนห้องเราเนี่เป็นทานไหมวัดจีวัดของเราเนี่เป็นศีลหรือเปล่าหนอ วาจาคำพูดเราเนี่ยเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาไหมมีสติพิจนาตัวเองสิอย่างนั้นจะว่าปฏิบัติเพื่อบุญเพื่อกุศลหรอปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลหรอเพื่อความจเจริญไม่ใช่หรอ ถ้าปฏิบัติเท่านี้ไม่ได้ถ้าอุปสรรคเกิดขึ้นแจ่ชีวิตตัวเองจะมาแก้ไขได้ยังไงแล้วถามใจอีกครั้งสิใจใครใจมันนะเอใจเราเป็นทานหรือเปล่าใจเราเนี่ยเป็นศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วหรือยังหนอใจเราเนี่ยสว่างโลหรือยังหนอถามใจเรานะ ใจเราเนี่ยเป็นศีลบริสุทธิ์สตร์เอ้ใจเราเนี่จเจริญภาวนาติดติดอยู่หรือเปล่าใจของเราเนี่ยเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาไหมถ้าหากว่าใจของเราเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาแล้วนั่นละบุญอยู่ที่ใจธานุนละไมศีลละไมก็ตั้งอยู่แล้วที่กายของเราเอง ทานอะไรศีลละไมตั้งอยู่ที่วาจาห้องเราเองทานาําไรศีลละไมและภาวนายอยู่ที่ใจของเราเองไม่ใช่เหรอจะไปถามหาบุญที่ไหนาะถามเอย๋ยตัวเองทําบุญสร้างบุญยังสงสัยบุญตัวเองสร้างกุศลสร้างอัปยัยังสงสัยอีกเหรอจะไปถามหาที่ไหนหละบุญทีนี้ ตัวเองทำข้าวตัวเองเป็นคนจินจะไม่รู้ตัวเองหรือว่าอิ่มหรือไม่อิม่มจะโกหกตัวเองไปทำไมหรือว่าดูไม่ออกหรือพิจารณาไม่ตกอะไรมันปิดบัง อย่าพึ่งตำหนิหลวงพอ่อหลวงตาองค์นี้เด้อเดี๋ยวจะเอ๊ะหลวงพอ่อหลวงตาเนี่เอามะพ้าวมาขายสวนฉันฟังมาจนหูจะแตกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอ ย, อย่าพึ่งพูดนะอย่าพึ่งตำหนิเธ อ, อก็ถือว่าเอามาพ้าวมาขายสวนก่อแล้วกันนะแล้วทำไมจึงบอกว่ากายวัตร หลวงตาอางนี่เนี่พูดหรือเพอเจ้อเกินไปหรือเปล่าคุยโม่เกินไปหรือเปล่ากายอะไรอย่าเป็นวัดได้วัดเห็นไหมวัดมันมีโบสถ์มีวิหารมีอะไรมีพระอยู่ด้วยเต็มไปหมดใช่ไม่เถียงญาติธรรมก็พูดคํานี้ได้หลวงตาอางนี่หลวงปู่เรียก็ไม่คดคดอีกสาธุด้วย พูดความจริงแต่นี่เป็นวัดในนะไม่ใช่วัดนอกวัดนอกก็มีโบสถ์มีวิหารอ้าวใช่โบสถ์อะกายอุโปโสถังกายเราเป็นโบสถ์กายสัมมิงวิหระติกายเราเป็นวิหาร กายเราเป็นวัดวัดมีพระเจ้าพระสงฆ์เต็มไปหมดกิ่งไม่เคียงอีกในกายวัดภายในเราก็มีแต่พระเต็มไปหมดสงก็คือภาพเป็นแต่เพียงสมมุติเหมือนกันในกายภายในกายวัดภายในก็มีแต่พระเหมือนกันเส้นผมพระเกศาชิวพระขนงตาพระเนตร หูพระกันจมูกพระนาศิกปากพระอดฟันพระทนลิ้นพระชีวหาใบหน้าก็เรียกว่าพระพักรวมทั้งหมดก็พระเศียรคอก็พระสอท้องหน้าอกก็พระอุลาเขียนก็พระกรมือพระหัสจนถึงเท้าก็ยังเรียกว่าพระบาทรวมหมดทั้งกายก็พระวรกายวัดในของเราก็มีแต่พระไม่ใช่เหรอตัวเรามีแต่พระเต็มไปหมด รู้ว่าตัวเองเป็นพระหรือเปล่าพระวรากายเนี่ยมาจากไหนวัลละแปลว่าเลือดแปลว่าประเสริฐวัลละเนี่ยกายที่เลิอดกายที่ประเสริฐโบสถ์หรือว่าวิหารอันเป็นที่เลือดเป็นที่ประเสริฐ หรือว่าเป็นเรือนก็ได้พระพุทธเจ้าตัดว่าคันลังพิกเวพิกษูทั้งหลายเรือนของเขาเราเป็นผู้อาศัยนะชิดดูนะมีสติฟังสิเรือนของเขา ท, ทั้งทั้งที่กายเราท่าพุทธเจ้าท่านบอกตัตดว่าเรือนของเขาเรือนของใคร ใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้สร้างเรือนอันนี้พระเหล่านี้ในวัดอันนี้ในกายวัดเนี่ยก็มีพระอรหันต์สององค์เป็นผู้สร้างใครพระบิดาและพระมารดาคือพ่อและแม่ พ่อและแม่เป็นคนประชุมธาตุแล้วจะได้รู้จักว่าพระสงฆ์สังฆ์งสละนังคัตฉามิน่ะมาจากไหนธรรมังสลนังคัตฉามิมาจากไหนพุทธังสละนังคัตฉามิมาจากไหน ทำไมถึงบอกว่าเข้าพระไตรสลนะนผมเมื่อกี้นี้ก็กล่าวนโมก็ก่าวพุทธังธรรมังสังขังใช่ไหมเมื่อกี้น่ะรับปากกันทุกคนใช่ไหมว่าพุทธังธรรมังสังขังสันนัตข้ามิเราจะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสวงฆ์ว่าเป็นสรณะได้อย่างไรจะรู้้อย่างว่าเป็นที่พึ่งของเรา ญาติธรรมก็อาจจะรู้แก้งกลัวลุงตาลุงปูงนี้ก็ได้นะแต่ขอขอโทษต้องพูดออกไปปาดและบัณฑิตพระคณาจารย์ที่เขามีความรู้เป็นถึงปาดเป็นบัณฑิตแต่นี่เป็นแต่เพียงพระป่ามาพูดตามป่าตามดงให้ฟังถ้าผิดก็ขอโทษนะยินดีรับคำผิด พ่อและแม่เป็นผู้สร้างเรือนกายอันนี้ถ้าหากจะบอกว่าพ่อสร้างเรือนกายได้ยังไงพ่อเป็นธาตุมะแม่เป็นธาตุนะธาตุดินและธาตุน้าพ่อและแม่เป็นคนประชุมธาต ธาตุนะเป็นธาตุน้าธาตุมะเป็นธาตุของพ่อสองธาตุเมื่อรวมกันปั๊บไฟและลมจะเกิดการประชุมธาต์จึงเกิดขึ้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันขึ้นจึงตั้งขึ้นเป็นเรือนกายเห็นไหมพ่อแม่เป็นคนให้ สมบัติอันลน้นคานี่มาจากพ่อจากแม่ของเราแล้วเรากล่าวหน้โมลเรากล่าวนอบนอบ้อมเรานึกถึงพ่อถึงแม่ของเราไหมไม่ใช่ฟังตั้งแต่ตามหนังสืออ่านแต่ตามหนังสือพ่อนันดินแม่นันน้าถ้าจะแปลน้โมล่ะ นับโมอันว่าน้ำและดินตัดสากของบิดามารดานั้นพระคาวะโตบิดาและมารดาเป็นผู้จำแนกธาตุน้ำและธาตุดินละหาโตจำแนกให้แล้วจนสิน้นสัมมาอย่างที่ตั้งอยู่ในขันของท่านสิน้นถ้าสามารถ1ิบเดือนแล้วโดยชอบสัมพุโทโธจะงได้เกิดขึ้นมานอนอยู่ในท้องแม่ไม่ใช่หรอสิบเดือนอน่ะเลือกถึงพระคุณของท่านไหม กายอันนี้พ่อและแม่ให้มาแล้วคันลังพุทธายังตัดว่าคันลังพิกเวเห็นไหมเลือนของเขาเราเป็นผู้อาศัยนะภิกษุฟังดูสิพุทธายังตัดเลยแล้วพวกเราละญาติทำญาติทำผู้สแสวงบุญเลยนึกถึงพระคุณของพ่อขอ ง, อของแม่ไหม ร่างกายแล้วนี่เป็นกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเป็นสมบัติอันล้นค่าธาตุทั้งสี่มารวมกันจึงเป็นตัวเป็นตนอยากจะทราบว่าพระสงฆ์ไหมสงฆ์มีพวกสี่มีพระสี่รูปขึ้นไปจึงรวมกันเป็นสงฆ์ได้ จึงทรรมกิจของสงได้สงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปทรรมกิจแทนเราตถาคตได้พระเจ้าก่าววัดจะต้องมีสงเป็นที่ชุมนุมกันลงพระปฏิโมกได้แต่สงภายในที่อยู่ในกายเราคืออะไรก็มีพระสี่รูปเหมือนกันอีก หนึ่งพะมหาปัฐพีดินใช่ไหมตอบในใจนะพะมหานาทีน้ำใช่ไหมพะเพิงไฟใช่ไหมพทะพายลมใช่ไหมพระทั้งสี่มารวมกันจึงเป็นตัวเป็นตนเป็น ธาตุขันเราเนี่เห็นไหมนี่ละสงนะพระสี่รูปรวมกันจึงเป็นสงนี่แหละคือ ว, ว่าสังขังสรนังคัจฉามิถ้าไม่มีธาตุพ่อแม่ประชุมให้เป็นองค์สงแล้วเราจะได้ที่พึ่งที่ไหนเข้าใจไหมที่ว่าจงเข้าพระไตรสรนาคมให้ถึงสิ ให้รู้แกงเห็นจริงสิว่าสงคืออะไรเข้าใจหรือยังพระสงฆ์ที่นี่เราอาศัยสงเป็นที่อยู่นะเดี๋ยวเนี้เป็นสระณะนะเรารู้ตัวเราไหมว่าเราอาศัยสงเป็นสระนาเดี๋ยวนี้เมื่อสงมาประชุมกันเมื่อมหาพูดคือธาตุสีพ่อแม่ชุมธาตุให้แล้วนี่ เมื่อเป็นธาตุมาประชุมกันเป็นก้อนขึ้นมาก็เป็นธรรมธรรมมาาัทธ์มาจากธาตุสีมหาพูดนั่นแหละเป็นก้อนแห่งธรรมเห็นไหมเนี่ยตัวเราเนี่ยกองแห่งธรรมก้อนแห่งธรรมแล้วธรรมเราเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ยังไงยังไม่รู้จักว่าธรรมเป็นที่พึ่ง ทำมังสารนังัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าฟังเท่านี้ยังดูไม่ออกอีกเหรอพระธรรมก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาจากสงแล้วเป็นที่พึ่งยังไงลุงตาอย่าเพิ่งถามด่วนเร็วนักนะแล้วขอถามหน่อยตาเราเนี่ย ก็เป็นที่พึ่งสําหรับดูไม่ใช่เหรอหัวเป็นที่พึ่งสําหรับฟังใช่ไหมจมูกเราเป็นที่พึ่งสําหรับหายใจแล้วเรานั่งฟังอยู่แล้วเนี่ยก้นก็ยังเป็นที่พึ่งสําหรับนั่งอีกอะเท้ายังเป็นที่มุดสาหรับเดินนี่แหละคือธรรมก็มาจากธาตุสี่ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเพราะเป็นองค์สมมุติแห่งสง์ มีแต่พระหมดนี่แหละคือพระธรรมภิกษุทั้งหลายเราตาถาคดมาแจ่เกิดแก่เจ็บตายก็มาพิจารณาลงในตัวตนสกลละกายตัวตนสกลละกายคือธรรมเราจึงแยกธาตุแยกธรรมเหล่านี้ออกดูธาตุดูธรรมเหล่านี้แหละ 8ปดหมืนสี่พันพระธรรมขันเราก็บัญญัติออกจากตรงนี้เองภูริจากไปเปิดตำลาบรรลุเลยก็ดูตัวตนเรานี่ไม่ใช่เหรอตัวตนล้วนแต่เป็นพระธรรมทางนั้นเห็นไหมและเป็นที่พึ่งพวกเราอีกทุกคนทุกคนก็มีธรรมมังเป็นที่พึ่งอยู่เราจะไปหาธรรมที่ไหนยะธรรมก็เป็นที่พึ่งเราอยู่แล้ว เป็นบุญอย่างมหาศาลแล้วที่เราเกิดเป็นมนุษย์เลิศโลกแล้วในตัวตนเราก็มีแต่พระมีแต่สมบัติล้นข่าล้นโลกใครเป็นคนให้พ่อแม่พ่อแม่เราคือริงเล่นนามว่าพระอรหันเห็นไหมแล้วญาธรรมถ้าเราเอา ลาดขันร่างกายของเราไปทาในสิ่งที่ผิดชิดในสิ่งที่ผิดขึ้นมาล่ะมันจะเป็นบาปไหมหรือจะเป็นบุญจะเป็นการเอาพระไปทำลายไหมหรือจะเราจะกราบไหว้เท้อทูนชิดๆหน่อยนะหรือจะตอบให้หลวงตาองค์นี้ฟังบัางก็ได้ เพราะตัวเราไม่แต่พระเอาพระไปทำมนถิ้นที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบาปหรือเป็นบุญหนอลองถามดูสิเมื่อเอาไปทำในทางที่ผิดเนะ่ะบางทีก็เราไปฆ่าเขาซะไปทำลายเขาเสเข้ามาทำลายเราเบียดเบียนกันนั่นก็สินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเห็นหมเอาแม่ เอาพระไปทำในทางที่ไม่ดีแล้วเห็นไหมแล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นบุญหรือจะเป็นบาปล่ะเอาพระคุณของแม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีล่ะถ้าเรามาปฏิบัติชําระกายวาจาใจเราให้บริสุทธิ์ผุดพองดูสิไม่ต้องถามหรอกฮับ ห, หาสวรรค์ไม่ต้องถามหาพรมโลกหรอกเขาคอยรับอยู่แล้วนรกเขาไม่เปิดเลย นรกเขาปิดหมดเขาไม่ยอมรับหรกผู้ที่บริสุทธิ์นี่นรกอะมีแต่ทั่วเทพนลรณโอ้ยโปยดอกไม้ลั่นกอง อ, อ, อะไรเป่าปีตีกองมาต้อนรับละ่ะสหายพวกเรามาแล้วเอ้ยผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่รู้สงผู้ที่รู้พุทธว่าเป็นที่พึ่งคือผู้ที่มีพระคุณต่อพระบิดาและมารดา สวรรค์เขามารับไปเองถ้าเราปฏิบัติยังไม่ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานก็ยังมีที่พักในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือในภพชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้ไปลงในมหาเวทีไม่ได้ไปเข้าในอบายภูมิ เรารู้ตัวเราเป็นพระบางสิตัวเราเป็นพระทั้งแทง่งทำให้เกิดบุญเกิดกุศลสิเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นหัวหน้าอาลาดธนาว่าพมอาลาดธนาเหมือนพระยาล า, าดธนาที่จริงรู้จักพมไหมพมมีอยู่สี่หน้า อบอกให้ฟังแก่พอเวลามันก็จะหมดผมมีอยู่สี่หน้าจริงบุญก็บอกแล้วนะบุญเหตุเกิดของบุญมีอยู่สามทานละไมศรรมีลละไมและภาวนาไม่อย่าไปสงสัยเรื่องบุญอีกบุญมีอยู่สามทางเกิดของบุญกายเราเป็นทานไม่กายเราเป็นศรรีลกายเราเป็นภาวนายอยู่ที่กายของเรา อยู่ที่วาจาวาจาเราเป็นทานวาจาเราเป็นจะภาวนาไหมใจเราเป็นทานใจเราเป็นศีลใจเราเป็นภาวนาไหมถามตัวเองเลยอย่าไปถามคนอื่นตัวเราตัดสินแต่ตัวเอ ง, ต, เองตายคนเดียวเกิดคนเดีย ว, ต, วตายคนเดียวไม่ใช่เหรอใครจะมาตายแทนใครมาเก็บแทนป่วยแทนได้ไหมไม่มีจริงไหมให้ถามตัวเองใครมีศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองสิ อะไรเป็นสง์ก็คือธาตุสี่มหาพูดธรรมมหาปฏาปีธรรมหรรมหานาทีพระพายพระเพลิงพระธาตุทั้งสี่มารวมกันจึงเป็นก้อนพระธรรมคือไก่ไข่เป็นผู้ให้เ็ผู้ตั้งเป็นผู้ประชุมประชุมพระทั้งสีน่นี่คือพระอารหันต์สองพระองค์คือพระบิดาและมารดา พ่อแม่เราเป็นถึงพระอรหันต์สร้างพระขึ้นมาสร้างวัดให้เราเห็นไหมวัดก็เต็มไปด้วยพระมดุดนับตั้งแต่เกสาจนถึงฝ่าเท้าเห็นไหมพระบาทรวมหมดพระวรกายเลิศประเสริฐแค่ไหนพระพุทธเจ้ายังมาบัญญัติยังมาดูทรรมว่าแปดหมืนสี่พันมธรรมขันยังเอาออกมาจากตรงนี้อีก มาสอนเวเนยสัตว์พมละ่ะว่ามีเสียหน้าจริงไหมจริงผมนำไปถึงที่จริงไหมจริงพมพาเข้าสู่มาเข้าสู่ผลจริงไหมจริงไม่เถียงตอบแทนเลยพอเวลามาน้อยเหล้วตอบแทนวะผมเขาแปลว่าอะไร แปลว่าเครื่องลองรับผมเนี่ยเขาลองรับโลกพาโลกไปไหนทสำสาเร็จได้ไม่ใช่พมแบบที่ว่ามีสีหน้าทำอมนนะั้นผมก็มีสีหน้าเหมือนกันเดี๋ยวพมข้างนอกก็เห็นว่าอะไรมีสีแขนใช่ไหมมีมีสีแขนสี่กร น, นอะใช่ไหม แล้วก็เ็บทำเป็นสี่หน้าอีงนะใช่ไหมเออแล้วเราดูพรมพวกเราบางที่ไอ้พรมนั่นไม่ได้พาเราเดินนี่ไม่ได้พาเราไปไหนนี่พรมหน้าที่หนึ่งคือฝ่าเท้าเราลองรับตัวเราเนี่เราจะเดินไปไหนนี่เราจะมาอยากจากบ้านของเรามาชมลมพุทธศาสตร์ทีโอเอใช่ไหมทีโอที อ, อ เราเอาพมหน้าที่หนึ่งคือฝ่าเท้าเนี่ยลองรับตัว ต, วตวสนสกุลร่างกายแล้วเนี่ยรับโลกอันนี้มาลองรับทางซ้ายทางขวามาหน้าที่ของพมหน้าที่หนึ่งนำเรามาถึงขี่ได้เห็นไหมนี่คือพรมพมหน้าที่สองเมื่อเรามาแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมได้นั่งกกก้นเราแล้วแหละหน้าที่สอง มีหน้าที่สำหรับนั่งลองรับโลกอันนี้ให้ตั้งมัน่นโลกันที่หนึ่งพาเราเดินถึงที่พาเราทาเดินจงกรมดูสิสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้พ้อมหน้าที่สองก็เหมือนกันลองรับเรามานั่งฟังเทศฟังธรรมถ้าเรานั่งถึงสมาธิจิตสงบสามารถบรรลุพระสัทธรรมถึงเปลียนพระอาหารหันต์ได้เห็นไหม หน้าที่สามเรคือหลังลองรับโลกกธาตุธาตุขันของเราเนี่ยเวลาพักผ่อนด้วยสีหาสยญาตินอนให้มีสติสัมปะชัญญาดูทีนอนก็สามารถทําให้เข้าถึงนิพพานได้เว้นไว้แต่มาหาพรมพรมหน้าที่สี่คือฝ่ามือเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงพรมทั้งสามเลี้ยงโลกอันนี้คือทําอาหารได้กินได้อะไรพรมถึงมีสี่หน้า พรมที่มาอาราดธานาก็คือผมเหล่านี้แหละพุทธเจ้าว่าเราก็ยังมีกำลังอยู่พอที่จะนำสัต์ธรรมเหล่านี้ไปโปดนั่นแหละจิตที่เปี่ยมด้วยวิหารธรรมอันเป็นวิหารธรรมอันนี้คือมาจากว่าวิหารธรรมของผมวิหารธรรมคืออะไรบ้างเมตตาความรักให้ปราถนาเป็นสุขกุณาความสงสารชิดจะช่วยฝนทุกมุทิตาความพลอยยินดีมเมื่อผือนได้ดี ปูเบขาฟามวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงสวมบิบัติเราสมควรจะไปแสดงธรรมเราจรึงเอาเครื่องเรามีแล้วเท้าเราก็มีก้นเรามีหลังเรามีมือเราก็มีสำหรับจับสนหรับกินอาหารบินทบาทเลี้ยงตัวตนโปรดเวิน ย, ยศัตร์เราจะต้องยกธงศาสนาขึ้นให้ได้ประกาศศาสนาเสียก่อน พวกพอได้บรรลุแล้วมารก็ไม่ยอมนี่ท่านพระโคดมท่านก็ถึงนิพพานแล้วท่านก็สมควรเข้านิพพานสิจะลังเลยอยู่ทําไมโอ้โหไปตัดข้อว่าพุทธเจ้าอะ่ะมารเหนืออยู่ถ้าถ้าฉันเนี่ยังมาได้เอาพระธรรมเหล่านี้ฉันกลัวจะเห็นพระัธรรมมานี่ฉันก็ต้องการเนียอยากจะยกงธงศาสนาขึ้นประ ก, กาศให้รู้ทั่วถึงหมดในสามแดนโลกกระาธาดนี่เว้ย ยังไม่ไปเราจะต้องประกาศเส่ยก่อนเอาธงชัยสาธาะเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าก็ต่อสู้กบมารมาถึงขนาดรู้สึกว่าเวลามันไปแล้วนะวันนี้ก็สมควรแก้วเวลาเนาะเอวังด้วยประกาศและชนี